ถ้ารอยเ ง, งีรอเป็นแฟนกับเธอตั้งนานแล้วเหมือนว่ารักแล้ได้ผูจนภัยถ้ารู้ย่งเงี่าจเธอน้เปลี่ยนได้หลากหลายรักแล้ได้ินเต้นแน่นอนเห็นกูมีเอไงเดียวกมาดูเธอทำแซ่ดูเธอทำแซครยัเเยยงเงเอไงเดียวก็ไปดูเธอทำอะไร จะเก็บเป็นที่ระทึก แค่นี้น่าจะวางมาหลอกกัได้ไหมก็ฉันแค่นี้น่ชอบบานตะไรไม่รู้ว่ารักเธอแล้วจะมีความสุขกับใจหายรักเราต้องสินภายใช้เลยเห็นกูนี้เอ้ไงเดียวกูมาดูเธอทำแซ่ดูเธอทาแซ่ใครเอาเงาเองไงเดียวก็ไปดูเธอทำอะไร ดด ü, แบบเหมอนเงาชิรือชิรใจดีเหมือนกันจะเก็บเป็นทระทึกไว้นึเธอจะเก็บไว้แบบเพเพว่าเคยคเธอรักเราคืท <Hey. S 1> ิ้งไปก็ <Hey. S 1> เล <Yeah. S 1> เงาเดรือชิรแบบเมนเงเชิรือชิรหัวใจเ ดด ü, ดด ü, แบบเมืนเงาเชดด ü, ชดด ü, ใจดีเหมือนกันจะเก็บเป็นที่ระทึกไว้นึกถึงเธอจะเก็บไว้แบบเพอเพว่าเคยถึงเธอรักเราก็ทิ้งไปก็เลยเงาเ ช, ดด ü, ชดด ü, แบบมันเงาเชือหัวใจทั้